หน้าตาเป็นมนุษย์กบเหมือนมนุษย์เหมือนกบนะยิ่งตอนพูดเนี่ยยิ่งเหมือนไงอย่าไปเชื่อนะว่ามันจะกันได้ใส่ไว้สบายใจที่มันมีประโยชน์คือเป็นประโยชน์กับคนที่ไม่สบายนคนป่วยจะฉนได้ไม่ไอายไม่จามกระจายมากไปไวรัสตัวเล็กนิดเดียวถูผ้าคแค่นี้ไปกันเลย กันน้ำลายกระเด็นอยงั้นคนไหนไม่สบายก็อย่าเพิ่ง อ, ออกจากบ้านอย่าไปที่ที่จะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเขาต้องเลี่ยงอย่างนั้นนะคนไหนไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะ ก, ก, ก็ค่อยใสหน้ากากพวนปกติอยู่ทั่วทั่วไปไม่น่าจะจำเป็นเท่าไหร่แต่อย่างอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ก็ต้องใสเนาะ เราต้องใส่แ β ้นด้วยสุดท้ายอย่าวิเชื่อมันอย่าวิเชื่อว่ามันจะกันได้ร้อยเปอร์เสน็ตเนฐณ์ใครไม่สบายเข้าออกห่างๆคนไหนไม่สบายเขาอยากเพิ่งมาวัดไว้ให้หายก่อนแล้วค่อยมาเหนื่อเกิดตายไปก็ไม่เป็นไรตายแล้วมาเรียนต่อได้มีเยอะแยะไปนะ ช่วงนี้ท่านคนภาวนาดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามีมรณะสติยิ่งมีข่าวมากมากนะเจริญสติกันดีมากมากเยอะเลยเมื่อวานนี้หมอโอ๊ตหมอโรงพยาบาลสมเด็จสีราชามาหมอโอ้หมอภาวนาดีเนี่ยงานหนักมากเลยครับคนป่วยน่ากลัวนั่นเลยหมอก็กลัวนะยิ่งกลัวนะก็ยิ่งขาดดุของตัวเอง ดีเวลาคิดถึงความตายเราก็จะไม่ประมาทจะรีบสร้างคุณงามความดีให้ตัวเองถ้าเราองละเริงนะว่าจะอยู่อีกนานอะไรเงี้ยยังประมาทอยู่ไปจะอยู่ไปได้นานๆไว้อายุเยอะๆเราค่อยภาวนาอะไรเงี้ยยิ่งอายุมากยิ่งภาวนายากนี่เป็นธรรมชาติเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตเหมือนน้ำนะมีธรรมชาติไหลลงที่ต่ำ ถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจเหลวไหลไปตั้งหลายสิบปีแล้วน้ำลงไปต่ำมากแล้วจะทดขึ้นมาไม่ใช่ง่ายนะแต่ถ้าใครมาเริ่มปฏิบัติเมื่ออายุเยอะก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยนะบางคนอายุมากนะแต่ว่ามาภาวนาแล้วตั้งใจจริงที่ว่าตัวเองอายุเยอะแล้วไม่ประมาท อย่างสมัยพูทธกาลก็มีท่านหนึงคือภาหากัศพะท่านออกบวทเมื่ออายุ60หมดพ่อแม่แล้วท่านออกมาบวทสุดนั้นพ่อแม่ท่านก็อายุญ academia ยูนย ข, ของเรานี้ก็มีโลงตาพนึกออกมาบวทเมื่ออายุ60เท่า learned ท่านภว explorations เข้าวนา сч slowed www.pdujersp suscrieted ได้ toes been from the government เกี่ยมบวร sauces ไปจาก neutrality ไม่รู้ว่าจะเอาตัวราดเมไหนอย พวกเราคนหนุ่มคนสาวภาวนาบางทีก็เหยาะเหยาะแยะแยะคิดถึงความตายไว้บ้างก็ดีเหมือนกันแหละการภาวนาเนี่ยให้มีสติรู้กายรู้ใจไปรู้ไปอย่างสบายๆแต่ต้องขยันรู้ตรงที่ต้องขยันรู้นี่แหละโหหนักมากเลยอย่างบางคนบอกพิธีปฏิบัติของหลวงพ่อนิแสนัยจะสบาย เคยได้ยินหลวงพ่อพูดว่าหลวงพ่อนอนกระดิกเท้าอยู่จิตยังรวมเลยอะไรเงี้ยนะดูง่ายง่ายกินข้าวอยู่ก็ภาวนาได้อาบน้ำก็ภาวนาได้แล้วทั้งขับถ่ายก็ภาวนาได้ดูเพื่อง่ายถ้าทำเล่นๆนะเพื่อจะอยู่กับโลกให้มีความสุขทำเล่นๆก็พออยู่ได้ก็มีความสุขมากกว่าคนทั่วๆไปแต่ชาติจะเอาจริงเอาจังนะให้พ้นโลก ต้องจริงจังกว่านั้นไม่ใช่ทำเหยาะเหยาะใหญ่ใหญ่หญหญอ้างบอกเจริญสติในชีวิตประจำวันแต่ความจริงขี้เกียจวันหนึ่งเห็นกิเลสสองสามครั้งเท่านั้นไม่พอหรอกในความเป็นจริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนแนะนำเป็นการปฏิบัติที่เข้มงวดที่สุดเลยเราไม่ได้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันแปลว่าปฏิบัติตามใจชอบ แการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่หลวงพ่อสอนนี่หมายถึงปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะของเราเอาเวลาไปใจลอยซะเยอะเลยวันๆหนึ่งหลวงพ่อก็เล่าว่าหลวงพ่อทำมาอย่างไรให้พวกเราฟังบางคนก็ฟังไปเฟินเฟินนะหลวงพ่อก็เล่าอยู่เรื่อยนะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่ตื่นนอนเลยตื่นนอนเนี่ยจิตมันตื่นก่อนร่างกายจิตมันเริ่มเคลื่อน จากระวังขึ้นมาเขาก็มีสติรู้ไปเรื่อยไมันขึ้นมาจนมันเหมือนเปิดไฟนะสว่างขึ้นมาสัมผัสที่จิตรู้ถึงความมีอยู่ของจิตสัมผัสที่กายรู้ถึงความมีอยู่ของกายตื่นขึ้นมาปุ๊บใจเริ่มทำงานเช่นคิดว่าวันนี้วันจันทร์พอคิดอย่างนี้ปุ๊บใจแห้งแรงเลยเห็นความแห้งแรงของใจนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์แล้ว มีความสุขขึ้นมาสดชื่นไม่ต้องไปทำงานอะไรเงี้ยนี่ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นเลยยังไม่ได้ลืมตาจากที่นอนเลยนะก็ลงมือปฏิบัติแล้วจะกินข้าวก็คอยรู้ทันใจของตัวเองจะอาบน้ำจะขับถ่ายจะแต่งตัวนะก็คอยรู้บางทีก็รู้กายบางทีก็รู้ใจกายเคลื่อนไหวเด่นขึ้นมาก็รู้ที่กายเห็นรูปมันเคลื่อนไหว ของกายไม่มีอะไรเด่นจิตเป็นเคลื่อนไหวเข้ามามันไปเด่นอยู่ที่จิตก็ไม่รู้ที่จิตขึกอย่างนี้ทุกวันทุกวั น, นะตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นลดไปทำงานขึ้นรดเมก็ดูใจเราไปเรื่อยเรายหรื hood มันเธอยมันเมื่อยให้มาว่ารู้ Phone GEORGE SCENOW เฮ้น limiting ANK ายมันทุกข์ใจไม่ทุกข้างดูไปเรื่อยกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนง ไปทำงานนะเล่นเข้าไปไประชุมบางวันเห็นหน้าคนที่มาประชุมนะเราก็เซ่งเซ่งรู้เลยพวกพูดมากแต่ไม่มีเนื้อหาพวกนี้เยอะนะแล้ว เ, เป็นใหญ่เป็นโตในาราชการเยอะมากเลยอยากเห็นพวกพูดมากแล้วไม่มีเนื้อหาเนี่ยให้ไปดูถ่ายทอดประชุมสภา <c oughs> <c oughs> เรื่องสลึงหนึ่งนะมันพูดไปได้งงหลายช่างเลยเสียเวลาบางคนเราเห็นหน้าอย่างนี้ปุ๊บ ไอ้นี่มาอีกแล้วใจเราเซ็งเลยนะรู้ว่าเซ็งบางคนเราเห็นหน้านะโอ้ยนี่จู้จี้คนนี้จู้จี้เจ้าเราเบียดมากเลยเห็นแล้วชักเครียดแล้วเดี๋ยวต้องมาซักเรื่องเปเปอร์ เ, เราอย่างดุเดือดอะไรเงี้ยเครียดรู้ว่าเครียดทำงานาวันนี้ทำได้ดีอะไรเงี้ยสี่เซนได้ดีทำเอกสารได้ดีอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ชมรัฐมนตรีชมอะไรเงี้ยแต่ใจเราดีใจเรารู้ว่าดีใจ นี่ภาวนานะภาวนาไม่ได้มีหละเบนเลยเวลาทำงานตั้งใจทำงานไปจดจ่ออยู่กลางงานไม่ใช่เวลาเจริญสติแล้วเป็นเวลาที่ต้องรู้เรื่องงานทำงานไปพอทำงานไปนะั้นอยากให้งานเสร็จเร็วๆเนี่ยใจมันอยากขึ้นมารู้ทันว่าอยากนีม่กิเลชแสแทรกแล้วไม่ใช่งานแล้วนี่ความอยากไม่ใช่งานนะอยากให้งานเสร็จไวๆอยากจะไม่ให้มีใครกวนนะโทรศัพท์มาบ่อยๆ เดี๋ยวเกลี้ยงเดี๋ยวเกลี้ยงนะรฟังแล้วหงุดหงิดนะหงุดตหงิดรู้ว่าหงุดหงิดหงุดหงิดมากมากกำลังแกล้งเราวางไว้นอกเครื่องให้หูมันเหลื่อมไปหน่อยนี่ภาวนานะทั้งวันเลยทั้งวันกลับมาบ้านถึงบ้านอาบน้ำกินข้าวอะไรนะถึงเวลาพักผ่อนดูโทรทัศน์นิดๆหน่อยๆขี้เกียจดูได้สาระ แต่จำเป็นต้องดูเป็นขา لeur วということで Yemen ไม่รู้สถานการณ์เลยทำอาคินะกรีนไม่ได้ดูไปเราก็เห็นแต่ใจเราโอสั ργ เกตล odes ใหม้ดูท ร, ร��ฐ์อ์กูธรนร์หรืออากูธร น, นเกิด B value informações 토� Sheng ranges ดเวลาเลยูทรัฐ์นะอากูธรนธรน์เกิด Total time เชื่อนเป็นโคตรเศรียียงหัง mêmes อยากได้นี่ปกูรฐรนม Heil ข่าวคน sensor relams meineras hired ความ學들� Native ข่าวของแพงน้ำมัณแพง chalkye fun บอกลัแพง้มขาวแพงนมาอากุศนเองฟังแล้วใจขอไม่สบายเราก็ดูใจของเราเร็วเร็ว Review ยิ่งละครช fantastic ลงพ่อไม่ดูเลยไม่ชอบดูสวยเวลา Seriously เราก็จิตใ Birthdays he saw one Innen draft it. เร inflammatory missed it ทำแต่หน้านะจิตมนไม่เป็ น, น <c oughs> บางคนเป็นวันทำถึงจิตด้วยนะมาไปเห็ น, นะโวนหน้าส่งสาร Gonna that is มันเตรียมมาไปอาบ่ายแล้ว มันปรุงอากุศลขึ้นในตัวเองไม่ชอบดูละครทั้งหลายเอาเวลาก่อนนอนนะไปนั่งสมาธิเมื่อก่อนเป็นบ้านไม้เดินจงกรมไม่ดีเลยเดินแล้วมันร้องเอยดๆ็ดเย็ดใครไม่คุ้นนึกว่าผีมาแล้วก็ใช้วิธีนั่งภาวนากลางคืนตื่นขึ้นมาก็ภาวนาอีกนี่หลวงพ่อภาวนาทั้งวันทั้งคืนนะ ภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยกลางคืนนอนหลับไปเนี่ยร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวารู้ตัวทั้งคืนเลยจิตมันฝันปุ๊บรู้เลยเนี่ยจิตมันคิดเห็นอยู่ทั้ทงวันทั้งคืนภาวนาถ้าพูดเรื่องว่าสบายก็สบายนะถ้าเหมือนไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่ว่าต้องไปอดข้าวไปเดินทุดงในป่าอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแต่พูดเรื่องหนักนี่หนักสาหัสน ะ, จะเจริญสติทั้งวันจเจริญสติทั้งคืน เห็นอะไรเห็นแต่ทุกข์สิมีสติอยู่นะกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์นะเห็นมันทำงานตลอดเวลาน่าเบื่อเนี่ยตามรู้ตามดูเรื่อยๆนะเวลาไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์บางทีพวกพระมาฟังด้วยพระหนุ่มเน้นน้อยมือพระผู้ใหญ่บางทีท่านก็แกล้งฟังเราฟังเราคุยกับครูบาอาจารย์บางวัดนะไอชีมีไอชีอยู่ หัทางเข้าวัดภาทระเดินเข้าวัดปุ๊บอย่าชีจะรีบปื้ ‌ұ งไปรอบวัดเลยไปส่งข่าวอีโตาคนนี้มา chilling น้ ического ภั ождения งั้ Muss. หังให้��를อ อ, ะไรหรอ ก, ไม เ, คยบอกเดี๋ยวเข้าไปกุธส์ metrics ครูบาจจารย์ทั้งพระทั้งชีได้ฟังการส่งกันแบบ้าน가족พ่อไหมหน糯ここ ninja 不知道 Belle Saggavi per hell บ้านคลูบาจจารย์บอกว่าช่วงนี้ผมชี่เกียตไม่ได้ เมือนประโย Oh That's the biggest challenge of all, พ uderاء อยากถ่งกันบ้านอย่างนั้นได้โปรดนะถ้าจะส่งกันบ้านว่า Oh ですช่วงนี้ผมฆ่เกยรเพรา ramat เง environmentalism กว่าหลวงพ่อจะอายุหืองขึ้น <c oughs> เราส่งกันบ้านไปหาอย่างโหลวง ục วธธิเทศ์ส่งกันบ้านท่านออกจากท่านมานะหมดสนธนาทำหมดแล้วออกมาดีพระตามออกมานะพระเคยมาถาม ней discussing หลายองุ wan الخ ลายครังล ย, ยมทำได บอกพระทำ10ปีธิบปีไม่ได้เท่าโยมของผมทำตั้งวันทำตั้งแต่ตื่นจะหลับนะมีบ้างอ่ะทะเลทะไลไปเที่ยวไปเล่นมีบ้างไม่ใช่ว่าสีเรียวปฏิบัติตลอดเวลาแต่ไม่เคยไปเที่ ย, เยวเท่าของน tengah ลืมการปฏิบัติเลยตามรู้ใกลายตามรู้ใจของเราไปเรีย่ daunting ช่วงไหนจิตใจมันฟูงมากดูไม่ออกก็ทำสมะั ทำความสงบเข้ามาสมาธิก็อย่าทิ้งนะเราคนไหนทำสมถาธิได้ก็ต้องทำแต่ต้องทำสมาธิที่ถูกสมถาธิที่ส่วนใหญ่ทำมันเป็นมิจฉาสมาธิทำแล้วขาดสติอันนั้นอย่าไปทำนี่บางคนไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อบอกอย่าไปทำสมาธิเราบอกอย่าไปทำมิจฉาสมาธิให้ทำสัมมาสมาธิ ทำสมาทานก็ต้องรู้สึกตัวไม่ใช่ทำสมาทานแล้วก็เคลิมงอแงงอกแ ง, งกริมเนื้อริมตัวเหลวไหลนั้นไม่ได้ปฏิบัติแล้วนี่คนส่วนใหญ่เวลาลงมือปฏิบัติในรูปแบบเหมือนนั่งสมาธิเดินจงกรมส่วนมากเลยมันไปทำมิจฉาสมาธิขึ้นมาไม่ใช่สัมมาสมาธิทำแล้วไม่มีสติจริงหรือมีสติก็เป็นสติที่ไม่เกื้อกูลที่จะให้เกิดปัญญาเช่นเวลาไปเดินจงกรมนะ ไปดูเท้าเนี่ยจิตอยู่ที่เท้าเคลื่อนไหวรู้เท้าเคลื่อนไหวรู้หมดเลยจิตมันไหลไปอยู่ที่เท้าจิตไม่ตั้งมั่นจริงจิตไปตั้งแช่อยู่ที่เท้าปัญญาไม่เกิดหรอก、<mm>、แต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะ、mm>、เห็นร่างกายนี้เดินมันจะรู้ชัดขึ้นมาเลยว่าร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเรา、mm> mm>、ต้องต้องทำสมถะนะต้องทำสมถะแบบไม่ให้ขาดสติให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูรู้ลมหายใจนะก็มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายหายใจ ดูท้องพองยุบก็มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเห็นท้องมันพองท้องมันยุบไม่ใช่เราพองเรายุบรู้อิริยาโบถสี่ยืนเดินนั่งนอนก็มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตมันอยู่ต่างหากเป็นคนดูนะเห็นกายมันยืนเดินนั่งนอนไปไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเห็นกิเลสเกิดขึ้นนะโลภโกรดหลงเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นอีก โลภโกรธหลงมันผ่านมาผ่านไปไม่ใช่เราอีกสุขทุกข์ผ่านมาผ่านไปไม่ใช่เราอีกนี่อย่างนี้มันถึงเดินปัญญาได้นะเพราะงั้นสมาธิที่พวกเราฝึกเนี่ยต้องเป็นฝึกสมาธิจนกระทั่งมันมีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตไม่ไหลไปแช่อยู่กับอารมณ์จิตตั้งมั่นขึ้นมาโดยไม่ได้ประคองไม่ได้รักษาอันนี้สมาธิอย่างนี้ถึงใช้ได้แล้วหลวงพ่อเนี่ยแยกสมาธิได้ตั้งแต่เด็กสมาธิสองชนิดเนี่ย เริ่มต้นไปเรียนจากท่านพ่อหลีวัดอโศกรามตอนนั้นเจ็ดขวบไปหาท่านพ่อหลีนะพ่อพาไปท่านสอนให้หายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งพุทธโทนับสองเนี่ยนับไปของท่านนับถึงสิบนะหลวงพ่อมาลองนับดูนับถึงสิบแล้วก็ย้อนมา 9, 8, เก้าแปดเจ็ดอะไรเงี้ยไม่ถนัดรู้สึกว่ายุ่งยากเราเด็กเรานับเลขไม่เก่งเราก็นับหนึ่งถึงร้อย หนึ่งไปถึงร้อยแล้วก็เริ่มหนึ่งใหม่ตอนหาดีแรกเนี่ยไม่เข้าใจหลักหรอกหายใจไปแป๊บเดียวนะั้นจิตรวมไปนะเคลิมลงไปนิดหนึ่งรวมไปมันสว่างขึ้นมามันถอดออกจากกายไปเที่ยวข้างนอกไปดูเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจิตมันนิมิตนั่นแหละสร้างขึ้นมาสมาธิมันไม่ดีจริงไม่ใช่เก่งนะว่าไม่ได้เรื่องไม่ใช่ว่าภาวนาเก่ง จิตออกไปรู้ไปเห็นข้างนอกนี่เที่ยวอยู่ข้างนอกเนี่ยหลายวันต่อมามันเกิดเฉลียวใจขึ้นมาว่าเออออกไปดูเทวดาเรากไม่ได้เป็นเทวดานะไปดูเดี๋ยวก็กลับมาไปเจอเทวดาเราไม่กลัวถ้าไปเจอผีจะทำไงก็กลัวผีว่ะต่อมานี่หายใจเนี่ยนะจะไม่ให้ลืมตัวเลยหายใจแล้วพอเคลิ้มเนี่ยนะหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งหายใจไปแล้วรู้สึกตัวหายใจไปแล้วรู้สึกตัว ฝึกอยู่อย่างนี้แหละรวมแล้วยี่สิบสองปีแต่ขึ้นวิปัสนาไม่เป็นสมาธิไม่ได้ทำให้เกิดวิปัสนาสมาธิเป็นตัวช่วยถ้าพูดถึงเหมือนเปรียบเทียบกับการทำงานเนี่ยวิปัสนาเนี่ยคืองานหลักสมาธิเนี่ยเป็นงานสนับสนุนอย่างเราอยู่ในบริษัทใช่ไหมงานหลักเนี่ยสมมติบริษัทเรามีหน้าที่ผลิตสินค้างานหลักเราต้องผลิตสินค้า ฝ่ายบุคคลฝ่ายประชาชนฝ่ายอะไรพวกนี้เป็นงานสนับสนุนทั้งหมดถ้าไม่มีงานสนับสนุนงานหลักก็มีอุปสรรคเพราะงั้นงานหลักของเราก็คือเจริญวิปัสสนาเมื่อเจอหลวงปู่ดูลแล้วถึงได้ทำวิปัสสนาเป็นแต่เดิมเราก็ดูไปเพื่อเอาความสงบอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่ขาดสติสงบแบบไม่ขาดสติจิตเข้าไปพักอยู่ก็พักแบบรู้เนื้อรู้ตัวแต่ว่าต่อไม่เป็น ดูสิโง่ขนาดนี้ไปเจอหลวงปู่ ด, ดูลนะท่านสอนบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองให้อ่านจิตตนเองแล้วเรารู้ว่าอ๋อให้อ่านจิตตนเองแล้วก็ไม่ได้ทำสมาธิแล้วก็นิ่งว่างๆเฉยๆอยู่นะคอยมาดูจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปด้วยภาวนาอย่างนี้ใช้เวลาไม่มากก็เข้าใจหรอกทุกอย่างมันผ่านมาก็ผ่านไปทุกอย่างเกิดได้ก็ดับได้ ไม่มีนะของถาวรสุขถาวารไม่มีทุกขถาวรไม่มีกุศลอกุศลถาวรไม่มีเห็นไปด้วยใจมันก็ค、cool, ่อยยอมรับความจริงมากขึ้นมากขึ、네、้นจิตใจที่ยอมรับความจริงนั่นจะไม่ทุกนะจะทุกน้อยลงน้อยลงจิตใจที่ไม่ยอมรับความจริงนั่นแหละทุกอย่างเราต้องแก่เนี้ยเรายอมรับไม่ได้ว่าแก่ก็กลุ้มใจนะเราต้องเจ็บเรายอมรับไม่ได้ว่าเจ็บก็กลุ้มใจ เราจะต้องตายพอใกล้ตายเราอยอมรับไม่ได้เรากลุ้มใจเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเรายอมรับไม่ได้เราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเราต้องเจอสิ่งที่เราไม่รักบ้างเนี่ยถ้าเราอยอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้เราก็ทุกข์ขึ้นมาการที่เรามาเจริญนิพพานาเนี่ยจนกระทั่งเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปบังคับมันไม่ได้หรอกสิ่งทั้งหลายนั้นถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าหมดเหตุมันก็ดับไปใจมันยอมรับตรงนี้ได้นะ มันจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยเพราะมันยอมรับสภาวะที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาได้แล้วจะแก่ขึ้นมามันธรรมดามก็ไม่ทุกนะจะเจ็บขึ้นมามันธรรมดามันก็เจ็บแต่กายใจไม่เมตเจ็บไปด้วยจะเฝ้ า, าวรู้เฝ้าดูไปนะจนปัญญามันเกิดใจก็ยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้ไม่เที่ยงนะทุกอย่างในชีวิตมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความสุขก็ถูกบีบคั้น มีความสุขอยู่ได้เดีย ว, เดยวความสุขก็หายไปแล่ะทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งได้เฝ่าลูอีกใจยอมรับตรงนี้นะ engineering theorize better. ความดินรนลงไปและกลับความดินรนใจก็เข้าไปสู่ความสงบสัสติมากครึ่นมากครึ่นภาต start hawnλα ล่ะเข้าสู่ความสงบสัวน딱 ตอนเข้าสู่ความสงบสันติทำได้ห Broad politique ท kkeonia дے üst ได้ comp sell if it'd be. แต่ถ้า Just yet. 21 28 Access wirtschaft A20 Nós จะถึง จ, จิตมีปัญญา Goal To apic. ern לו which to institute amperatic mucha that Say what happens to common conclusion. นะจริตยอมรับความจรยง reso nelle จหลายมเหตักธ bantri di genit community People ดัดกยอมลั บ, บความจริงมาสัพ자기要 la big compassion, ไม่ได้ Yoko it then. ทุงกายทงใจท้กสิ่งทุ้กอย мет arbitrage Remember to Inspigate to throw your mind in your mind. อย่าไดนะใจอย่าค่อ ย, คลายความทกนะใจเขาส คนซึ่งใจไม่ยอมรับความจริงก็จะดิ้นเวลามีความทุกข์เนี่ยใจจะดิ้นรนใหญ่เลยหนีความทุกข์ที่นิ่งดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์นะพอมีความสุขขึ้นมาใจก็หลงระเริงดิ้นรนนะอยากให้มันอยู่นานๆพอมันไม่อยู่กับทุกข์อีกล่ะใจมันทำงานขึ้นมามันก็ทุกข์แต่พอยอมรับความจริงนะความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงระเริงใจก็สงบสบาย กว่ามทุคเกิดขึ้นก็ไม่ทุรนทุรายรู้ว่ามันอยู่ช่วงคราวใจก็สงบใจก็สบายเราพ่อนาไปนะสุดท้ายเราได้ความสงบได้ความสบายไดสริษาร์ติศุกษ์สริษาร์ต์ horas ข้างเมื่นแหละคอ theatre ตอนนี้เราก็ได้สริษณ์อ substance แ não Northwestern มีสติขึ้นมากิเหรส Ł with a life ใจก็สงบข้าง teaches นิดภา Americans น, นิดนิดหนอยๆน ในใจริวมีราค้ามากพิจารณาปฏิคูลพิจารณาสุพธะอันนี้เป็นส من ภาใจก็ Excel ข�무บจากราคา้าก็ก็เป็นนิบภพรพล์หน่อยๆเป็นนิโรธชนิบหนึ่งนิโรธ pedo พาสมทะกิน incorporating ผู้ห Super นิโรธพระวิปรัษ น, นาので whereas this water is becoming slept at все จะเกิดนิโรธใน Makuli In Markor. ในผลนิโรธคือตัวนิภพล์เป็น นิโรธมีห้าห้าอย่างอันหนึ่งนิโรธจากการทำสมถะดับทุกข์ได้เหมือนกันดับกิเลสได้เหมือนกันแต่ชั่วคราวอันหนึ่งนิโรธเพราะวิปัสสนาเช่นราคะเกิดขึ้นมามีสติรู้ทานันราคะก็ดับไปผ่านมาผ่านไปไม่เข้ามาปรุงจิตจิตจะไม่ดิ้นรนนี่คือนิโรธเพราะวิปัสสนานิโรธถัดจากนั้นตอนเกิดอริยมรรคเกิดอริยผล นิโรธอีกันสุดท้ายอะไรสูงสุดคือนิพพานนิพพานเป็นสันติเป็นความสงบเป็นความสันติงั้นเราภาวนาหน้าวันหนึ่งเราเข้าถึงสันติภาพที่แท้จริงในโลกไม่มีสันติภาพหรอกยิ่งเรียกร้องสันติภาพก็แสดงว่าไม่มีสันติภาพยิ่งเรียกร้องสามัคคีแสดงว่าไม่สามัคคีในโลกไม่มีหรอกความสงบที่แท้จริงเพราะในโลกเต็มไปด้วยกิเลสทันหาย่าไปหวังเลย ว่าบ้านเมืองจะสงบในโลกนี้ในบ้านเมืองนี้ไม่เคยสงบเลยสัตว์ทั้งหลายเบียดเบียนกันตลอดเวลาสงครามไม่เคยยุดดติร้อยกิเลสไม่เคยยุติเราภาวนานะจนเห็นความจริงในใกายในใจภาวนามากเข้ามากเข้าใจเราสงบใจเราสันตินี่เราเจอแล้วสันติภาพตัวจริงจิตใจที่เข้าถึงสันติเข้าถึงความสงบนี้มีความสุขมหาศาล เป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นไม่อิงอาศัยคนอื่นเป็นความสุขเป็นความเต็มอิ่มอยู่ในตัวเอง น, นิพพานหนึ่งเป็นสุขที่สุดเขาเรียกว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขไม่มีสุขใดเท่าพวกเราภาวนานะเราจะเข้าใกล้นิพพานเข้าไปทุกทีทุกทีเราจะเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆทั้ทงกายทั้งใจความจริงของมันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เห็นความจริงมากเข้ามากเข้านะใจยอมรับความจริงได้มากเข้ามากเข้าใจกลับมีสันติสุขมากเข้ามากเข้าเพราะนั้นรู้ตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นมีความสุขสุขเชนิดนี้เป็นสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นมันก็เลยเป็นสุขที่เสถียรมีความสุขที่ค่อนข้างคงที่แต่ไม่ใช่ว่าจิตพระอราหันต์มีความสุขตลอดเวลา จิตระหันยังมีเวทนาสองชนิดนะมีโสมนัสมีความสุขขึ้นมาเบิกบานอิม่มเอิบแกมีอุเบกขาอุเบกขาก็จัดว่าเป็นความสุขเหมือนกันจะเป็นความสุขที่ปรนะนีตรวมความก็คือมีความสุขนั่นแหละแต่ว่าสุขสองชนิดสุขหนึ่งเป็นโสมนัสนอมิ่มเอิบเบิกบานขึ้นมาสุขหนึ่งเป็นอุเบกขามันก็ไม่คงที่เหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นโสมนัสเดี๋ยวก็เป็นอุเบกขา ไม่มีสิ่งได้เกิดแล้วหรือไม่ดับ ส, งดเกดสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นไม่ค่อยๆฝึกล being through แล้วจนใจยอมรับความจริงใจยอมรับความจริงได้แล้วก็พุน ITH ูกได้เพ something that H พองเราว่าแฟวนากันปลางตายสไตร ος า tattoo เพื่อได้อะไรมาได้สํามาทิศ習มาไม่ได้อย่างอื่นว่าไม่ใช่ว่าได้ศบคถราวนไดสวงกถราวนได้ดีถราวน ไม่ใช่ภาวนาแทบตายเนี่ยได้ความจริงได้การยอมรับความจริงคือได้ตัวสัมมาทิฏฐิมารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจรู้ความจริงของโลกโลกก็คือรูปกระ nam นั่นเองเราเรียนรู้โลกได้โดยการเรียนรู้ตัวเองโลกนี้ก็มีแต่รูปประธรรมกระ nam มาทำเรียนรู้ตัวเองตัวเองตัวเราเองก็มีแต่รูปประธรรมนำมาทำถ้ารู้ตรงนี้แจ้งนะก็รู้ทั้งหมดเลย รู้หนึ่งอะตอมนะก็รู้จักรวาล น, นะรู้ส่วนน้อยเนี่ยถ้ารู้ซึ้งนะก็รู้ทั้งหมดได้เนี่ยเราเรียนลงในกายในใจนะเรียนโลกตรงนี้เลยคำว่าโลกในความหมายของศาสน า, าพุทธเนี่ยท่านบอกคืออะไรโลกคือกายที่ยาวหนึ่งประมาณหนึ่งวาหนาประมาณหนึ่งคืบกว้างประมาณหนึ่งสองโดยประมาณนะอย่างหลวงพ่อก็เกินเกินคือบเกินสองแตก่ยาวเนี่ยยาววา ว่าหนึ่ง kazoo 2เมตรไหม่ไม่ใช่ว่าเนื้ ım ขนา端นี้ของตัวเองว่าของไค่ของมัน να ยงเป็นอย่างเราปีว่ายาวผิตปกติ美味 boursellums constantsTell my eyes เห็น cane หนึ่งเหว่าหรือเห็น neon mission site ในตำราห์ไม่ได้บอก quando nic equally is the impossible ว่าจะเพราะ Phi STEM <c oughs> <c oughs> เห็นไหมถ้านอกเรื่องแล้วชอบ <c oughs> นความสุคจับสัน ฟังธรรมมาเราซึมังเห็นไหมใจเราไม่คงทีเมื่อหลวงพ่อแย่ปุ๊บใจเราไหวขึ้นมาใจเรามีความเคลื่อนไหวใจเรามีความสุขมีความเบิกบานเราขาดสติเวลาที่จิตมีราคะนะมีความสุขได้เพราะฉะนั้นถ้าเวลามีความสุขไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นว่าจิตต้องเป็นกุศลจิตมีราคะเนี่ยมีความสุขได้ังเห็นไหมจิตพวกเราตอนนี้นิ่ง เริ่มกลับมานิ่งอีกแล้วรู้สึกไหมจิตมันนิ่งลงมาก็รู้สังเกตไหมตอนนี้เริ่มคิดฟุ้งซ่านดูออกไหมส่วนใหญ่เริ่มคิดทุบปุ๊บปุ๊บปั๊บสังเกตไหมส่วนใหญ่เริ่มเพ่งนะส่วนใหญ่เริ่มเพ่งต้องเล่นอย่างนี้แล้ว เ, เล่นทีละคนไม่ไหวไม่ค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงถูกไหม เดี๋ยวจิตก็สุขนะสุขก็อยู่โช dragon risque เครอมาะเป็นเจ<ม>้าบรคาอุเบถ่ Ton гр าสช่วย sorting będą وه ลป Johann Tu Hmmm เ, เ, กเครยดหนีกหน่ย erman! เฟรซายมาเตี่ยงโอเค climate upfront ก็ดูบรคา tiny FT M Timothy sow on our Latv. ไม่ ao す retailer ไม่ employment was old flashed up by starting something like this 어나ก่อยมามาีสุข нек playoffs ท, ทุกก็ากมาแล้วเหร็จ ij อ version มันมีแต่ความเคลื่อนไหวมีความเปลีป่ยนแปลงอยู่ในกายในใจนี้ตลอดเวลาถ้าดูจิตดูใจได้เห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงได้ก็ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายไว้แล้วกายเป็นบ้านของจิตจะหาเจ้าของบ้านไม่เจอนะมาเฝ้านาบ้านดูจิตก็ไม่เห็นดูกายก็ไม่เห็นก็ทำสมถะทำความสงบมาพุดโทโธพุโทโธพุโทโธไป เวลาใจฟุ้งซ่านมากเขาพุทโธเร็วๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะไม่ให้มีช่องโหว่ให้แอบไปหนีไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ห้ามจิตไปคิดแต่ว่าพุทโธเร็วๆจนจิตไม่มีช่องโหว่จะหนีไปคิดถ้าจงใจห้ามจิตไม่ให้คิดจะเครียดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยจิตไม่มีช่องโหว่ไปคิดเนี่ยไม่เครียดไม่เหมือนกันพอใจสงบแล้วก็พุทโธช้าๆพุทโธ พุโทโธอย่างเงี้ยสบายสบายไปนะไม่ถนัดพุดโทโธเอาอย่างอื่นก็ได้ถนัดรู้ลมหายใจก็ได้ถนัดรู้ท้องฟองยกลก็ได้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้รู้อิริยาบถสีก็ได้เหมือนกันหมดนะ่ะใช้ได้ทั้งนั้นนะ่ะนะงั้นเราฝึกไปนะพอเราทำความสงบสบายใจมีความสุขมีความสบายมีสติระลึกรู้ว่าจิตมีความสุขขึ้นมากลับมาดูจิตได้ล ะ, ะงั้นบางทีเราก็ต้อง รู้จักพลิกแปลงดูจิตไม่ได้เราก็มาดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ก็ทำความสงบเดี๋ยวก็มีแรงขึ้นมาก็กลับไปดูจิตดูกายได้อีกอย่างหลวงพ่อรับราชการนะเวลาทำงานหลายชั่วโมงเนี่ยจ ะ, จะมึนเหมือนที่พวกเรามึ น, นะจะมีวิธีก็คือไปเข้าห้องน้ำเดินมาเห็นร่างกายมันเดินดูจิตไม่ได้ตอนนี้เบียร์หัวเห็นร่างกายมันไปฉี่ฉี่แล้วมีความสุขนะเพราะว่าเข้าห้องสุขขาแล้ว ทำเสร็จแล้วจะมีความสุขเดินออกมาเนี่ยเห็นจิตที่มีความสุขแล้วง่ายๆไม่ยากอะไรหรอกอะไปทานข้าวนิมนต์ท่านอาจารย์ครับนิมนต์